คำชั่วคือมหากุศลจิตบาทที่เกิดขึ้นกับท่านพรามนี่นะเอกสาโดกจูเอกสาโดกเนี่ยมหากุศลนของท่านเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะท่านมีโยนิโสมนัิการที่ท่านเอาชนะมัชชริยะในใจของท่านเป็นประธานของบาปได้นั่นแหละมหากุศลเป็นเป็นประธานเกิดขึ้นใช่ไหมแต่มหากุศุก็มีโยนิโสมนัิการโยนิโสมนสสการเกิดขึ้นเพราะท่านได้ฟังธรรม การที่การฟังธรรมเพราะท่านครบพระเจ้าเอา้าทำไมท่านจึงได้ครบพระเจ้าเพราะท่านอยู่วัดเชตาวันไงเข้าใหญยังวัดเชตาวันจึงเป็นปฏิรูปประเทศใช่ไหมนี่เอามาบรรยายที่ท่านมหาอำนาจขึ้นหัวข้อให้ทั้งงูทั้งหมดที่บรรยายทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องการเชื่อมเข้าสู่เรื่องนั้นแหละอยู่วัดเชตาวันใช่ไหมถามบอกว่าทําไมทําไมจึงได้มีโอกาสได้อยู่วัดเชตาวันเพราะได้การสั่งสมบุญในพบก่อนไงทีนี้ ถ้าเรามองแค่นี้เบสเสจต่อมาถ้าถามว่าก็ไล่ามาตามลําดับไหมว่าอ๋อทําบุญในพะก่อนนี้ดีนะเนี่ยลักษณะนี้จะย้อนกลับอั น, นี้เป็นเหตุผลของการที่จะเข้าใจมุมคําสอนให้ชัดนี่ยอ๋อการทําบุญในพบก่อนนี้ดีนะดีนะเพราะทําให้ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงวัดเชตาวันอย่างเราก็ย้อนตัวเราอ๋อดีนะทําให้เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ห้องเนี้ยบุญในพบก่อนนะจึงได้มาอยู่ในห้องเนี้ย ใช่ไหมเนี่ยนั่งฟังธรรมเนี่ยเนี่ยเเทียบเคียงแล้วใช่ไหมระหว่างเขากับเราไม่ใช่เทียบเคียงแบบมานะเนีเทียบเคียงบอกว่าได้โอกาสได้โอกาสเหมือนกันแต่บรรยากาศต่างกันใช่ไหมแต่อย่าพิ่งไปคิดต่างก่อนเดี๋ยวบุญจะตกเดี๋ยวบุญจะต ก, <_ t iny> ะตกใช่ไหมมันบุญมันตกได้เนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยอ๋อเนี่ยได้ได้ได้ถิ่นที่เหมาะสมแล้วและใช่ไหมได้ฟังไ ด, ไ ด, ได้ได้ได้คบพระพุทธเจ้าอย่างเราคือครบพระพุทธเจ้าในฐานะของพระธรรมท่านั้น เดีย๋ยวเราก็ครบนี่ยแต่การการของเราบอกถ้าเราทําจิตไม่เสมอกันไงไเพราะเราทําจิตไม่เสมอกันวิบากที่จะได้รับมันยิ่งต่างกันเนี่ยว่าเราคิดพระเจ้า น, นิพานแต่แล้วหมดท่าแล้วหมดแล้วอย่างเงี้ยนะแท้ที่จริงก็คือพระธาตุยังไม่ปริญิาพานตราบใดที่ว่าพระศาสดา ย, ยังยังดำเนินอยู่นี่ในมุมแห่งพระธรรมเนี่ยตรงนี้ยังไม่ชัดกับเราวันใดวันหนึ่งชัดก็อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะวันใดวันหนึ่งได้ชัดมุมนี้เมื่ อ, อไหร่ก็ ก็อีกขณะหนึ่งสถานะหนึ่งแล้วก็ในช่วงของศรัทธาที่จะขยับขึ้นไปอีกขณะหนึ่งเมื่อชัดมุมนี้มาเลยทีนี้ตรงนี้ก็มองมองในลักษณะว่าหนึ่งกรณีอย่างนี้ก็คือว่าได้ได้ฟังพระธรรมพอฟังธรรมก็เกิดโยนิโสมนัสการพอโยนิโสมนัสการเกิดขึ้นมหากุศลจิตอุบาตก็เกิดเลยเห็นไหมฉะนั้นมหากุศลและจิตที่เกิดขึ้นกับท่านได้นั้นเพราะท่านฟังธรรมแล้วฟังธรรมเล่าปฐมยาม4ี่สี่ชั่วโมงมาเฉมมัยามอีก4ี่ชั่วโมง ไม่ชนะเลยแปดชั่วโมงเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยต่อสู้กับไอตัวอกุศลตลอดใช่ไหมเหมือนเรานี่แหละฟังธรรมกันมาตั้งนานตั้งนานเนี่ยต่อสู้อะไรต่อสู้กาบฉันท่พยาบาทีนามิทะแต่ละบุคคลที่มากน้อยต่างกันนี่แหละต่อสู้มาตลอดยังเอาไม่ลงเลยเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนก็เอาลงไปแล้วเนี่อย่างเงี้ยแล้วก็มหากุศลจิดุบาทเกิดขึ้นมหากุศลก็เป็นเหตุให้เกิดปราโมดหรือปราโมด รลาโมดก็เป็นเหตุให้เกิดใกล้เป็นเหตุใกล้ของปีติปีติก็เป็นเหตุใกล้ของปัสสัตย์ปัสสัตย์ก็เป็นเหตุใกล้ของสุขสุขก็เป็นเหตุใกล้ของสมาธิสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ของยาถาภูติยานยาถาภูติยานนี่คือปัญญาที่เขาไปรู้ตามความเป็นจริงก็ไล่ไปเหตกรรมสักตาสมาธิถิเป็นต้นก็เข้าใจถ้าถามบอกว่าพราหมณ์ท่านต้องชัดเจนนะเมื่อยานปัญญาเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านต้องชัดเจนอ๋อ ที่เราจนนะวันนี้เพราะไม่ให้ทานไอตัวมัชชริยะนี่เองจะทำให้เราวิบัติจะทำให้เรายากจนต่อไปฉะนั้นเราจะสลับจะทำลายมัชชริยะจากไม่ให้มัชริยะไม่ให้กลุ่มอกุศลเนี่ยมัดเรามัดมือมัดเท้าเราอีกแล้วเนี่ยก็ทำลายตัดเชือกนะตัดเชือกที่มัดได้หลุดจากพันธนาการของมัชริยะได้จึงอุทานออกมาได้นะใช่เนะี่ยจึงอุทานได้ ยะถารู้เห็นตามความเป็นจริงอะ่ะเป็นเหตุใกล้ของนิพิทาคือความเบื่อหน่ายนิพิทาก็เป็นเหตุใกล้ของมัรคยานมัรคยานเป็นเหตุใกล้ของผลยาณผลยาณเป็นเหตุใกล้ของปัจเจเวขณะยานนี่นะถ้าปัจเจเวขณะยานก็เป็นเหตุใกล้ของการดับโดยไม่มีเสริมเหนือก็อนุปาทาปริภาณิกล่าวโดยกล่าว โ, โดยเส้นทางกล่าวโดยเส้นทางตอนนี้ตอนนี้ก็มาดูเราท่านทั้งหลายว่ามหากุศลเกิดได้หรือยังเห็นไหมที่ขับเน้นกันมา ตั้งแต่กลางวันตอนนี้มหากุศลได้ได้ช่องได้ทางถ้าได้ช่องได้ทางอันนี้แปลว่าเริ่มตั้งลำได้นิดๆอะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งลอำได้ใช่ไหมก็อย่าให้ล้มใช่ไหมอย่าให้ล้มกุศลเนี่ยเกิดเกิดยากใช่ไหมเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องรักษาเกิดแล้วก็รักษาตรงนี้ก็ในวินยัยในคําสอนทั้งหลาย ต, ต่างๆเหล่าเนี้ยก็แยกแยะรายละเอียดมหากุสุนจิตุบาทะเจรดสิทกที่ประกอบทั้งหลายเหล่านี้นะ มาพิจารณาอย่างนี้ก็คือเพื่อประโยชน์น่ยนะกรณีในรักเหมือนในชั้นคำสอนบางแห่งก็วินัยเพื่อประโยชน์แก่การสำรวมการสำรวมเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจก็เพื่อปราโมดปราโมดก็เพื่อประโยชน์แก่ปีตีปัสสัตทีความสุขในสมาธิปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเพื่อประโยชน์แก่การกำจัดกิเลสกำจัดกิเลสเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติวิมุตติก็วิมุตติญาณนัทธสนากระลายไปตามลำดับเหมือนกันทีนี้ทำไมแยกรารายละเอียดเนาะ ถามบอกว่าเจตนาที่เป็นไปกับมหากุศลถ้าเราจะแยกโดยเหตุใกล้นะโดยการย้อนให้ดูในสภาพธรรมตรงนั้นเนะีเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราศึกษาพระธรรมกันมานานแล้วเนี่ยไอตัวเจตนาที่เป็นไปกับมหากรุสุนไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นผู้ให้ทานไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นผู้ให้ทานมหากุศลจิตวิที่มีเจตนาเจตสิกประกอบร่วมกับเจตนาเจตสิกเป็นต้นเหล่านั้นนะนะไอเจตนาตรงนั้ น, นเป็นสังขาร เจตนาเหล่านั้นเป็นสังขารสังขารเป็นเหตุใกล้แก่วิญญาณให้เกิดในสุขติภูมิสังขารนั่นแหะวิญญาณเป็นเหตุใกล้แก่นามรูปนามรูปก็เป็นเหตุใกล้ของอายตนะอายตนาเป็นเหตุใกล้ของผัสสะผัสสะก็เป็นเหตุใกล้ของเวตนาเวตนาก็เหตุใกล้ของตันหาตันหาก็เป็นเหตุใกล้ของอุปาทานอุปาทานก็เป็นเหตุใกล้ของกุศลกรรมแลกุศลกรรมคือกรรมะพนั่นเองพบก็เป็นเหตุใกล้ของชาติชาติก็เป็นเหตุใกล้ของชรามรณาและความโศก ชรามรณะความโศกก็เป็นเหตุใกล้ของอาสวะกามาสวะเป็นต้นอะไรเนี่ยนะไออากามาสวะภวาสวะทิฐาสวะก็เป็นเหตุใกล้ของอวิชามะก็เลยไล่อวิชาปัจยาสังขารายอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นชัดเลยเดี๋นี้เห็นชัดเลยเดี๋นี้อวิชามะสังขารทั้งหลา ย, าา ม, าลายมีอวิชาเป็นปัจจัยแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยมองเห็นเลยจากนั้นก ร, รณีเงี้ยพุทธพจน์จับได้เลยโอตรงเนี้ยเป็นเรื่องของปฏิจจสมบาท ที่กําลังเป็นไปอยู่นี่หมุนกลับหมุนกลับนี่เป็นเรื่องของปัจจัยไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจัยแล้วเมื่อกี้ถามปัจจัยไงเนี่ยมาเนี่ยมหากุศลที่เป็นไปกัจเจตนาทานเนี่ยเป็นไปกับปัจจัยเป็นไปลักษณะอย่างนี้สังขารทั้งหลายมีเพราะอวิชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปก็ย่อมมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสรายตนะมีเพราะนามรูปเป็น ปัจจัยภาษามีเพราะสรายเทนะเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะภาษาเป็นปัจจัยตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีเพราะเวทนาอุปาทานมีเพราะตัณหาภพมีเพราะอุปาทานชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัยชรามมรณาโสกาปริเทวะทุกขโทมนาสะและอุปาญาตย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยการเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยประการนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหตุใกล้ชิดเขาเรียกประทัดฐาน นี่ก็หาเหตุปัจจัยก็อ๋ออันนี้ชี้ให้เห็นเพื่อแยกพื่แยกว่าถ้าเดินอย่างนี้ยุ่งนะถ้าเดินอย่างแย่ยุ่งอันนี้หมายถึงในสังสารวัตนี่ไหนสังสารวัตนี่และก็เป็นไปก็จะกลับมาเพื่อเป็นอย่างนี้อีกนั่นเองที่ต้องการจะชีว้ว่าเนี่ยการที่จะกลับมาเพื่อเป็นอย่างนี้การที่เราไม่สามารถประดับตกแต่งด้วยสมถ ะ, ะและวิปัสสนาเป็นต้นและออกจากความเป็นอย่างนี้ได้มันก็กลับมาเพื่อความเป็นอย่างนี้อ๋อใช่เจตนาเป็นไปลักษณะอย่างนี้ ตรงนี้ก็คือว่าลักษณะก็คือว่ากุศลดังกล่าวแล้วไม่มีโทษดังกล่าวแล้วก็คือกําจัดอกุศลโยนิโสมนัสิการแล้วก็วิบากที่เป็นสุขอิทธารมที่น่าปรารถนาเป็นต้นเนี่เนาะตรงนี้ก่อนในชั้นคําสอนก็ไปดูรายละเอียดมีใครจากถามอะไรตอนนี้ก่อนไหมมีไหมมีใครสงสัยอะไรไหมเวลาเหลือน้อยแล้ว อ, อ้าวถามไม่มีเลยเนาะงั้นเดี๋ยวถามนะ <c oughs> ตรงนี้คือบอกว่า พระเจ้ากล่าวไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่นะพวกเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยคํานี้เป็นบุญคําว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขที่น่าปรารถนาน่ายินดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวคําว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดังกล่าวเนื้อทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นต้นดุดล่มใหญ่ในฤดูฝนข้อนี้เป็นอนิสงส์ในธรรมที่ประพฤติแล้วผู้ประพฤติธรรมก็ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่นําไปสู่ทุคตินี่นะ ปลาปาท่านหมายถึงความชั่วอกุศลกรรมบทสิบนี่เป็นความชั่วหมดเลยกายทุจริต3าวจีทุจริตสี่แล้วก็มโนทุจริตสามเนี่ฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการม <c oughs> พูดเทศส่อเสียดทำยาเพื่อเจ้อโลคแล้วก็ปองร้ายแล้วก็เห็นผิดมิจฉาทิฏฐิความคิดความเห็นผิดไอ้ทิฏฐิเจตสิกนี่เสียหายมิจฉาสังกปะนี่ก็ดำรีผิดอันนี้เป็นวิตกใช่ไหมที่เกิดร่วมกับอกุศล มิจฉาวาจาเนี่ยเป็นอกุศลจิตบาทที่เกี่ยวกับวจีทุจริตมิจฉากรรมตะการกระทําผิดนี้เป็นอกุศลจิตบาทเหมือนกันที่เกี่ยวกับกายทุจริตนี่นะถ้าโดยรวมเนี่ยนะมิจฉาอาชีวะนี่อกุศลจิตบาทที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพมิจฉาวายามะนี่เป็นวิริยะเจรสิกที่ประกอบกับอกุศลมิจฉาสตินี่ท่านเอาอกุศลจิตบาทที่มีสัญญาเป็นประธานฉะนั้นคนที่ระลึกระบาดเกิดระลึกระบาดเกิดจะจําอะไรได้แม่นมากแต่จําแล้วเนี่บาปเกิดดีแท้ อันนี้เขาเรียกมีสัญญาเป็นประธานเนาะเอาใครเก่งในด้านของมิจฉาสติร ะ, ะลึกแล้วรู้สึกมันยังโกรธไม่หายอะระลึกแล้วโกรธไม่หายอันนี้ก็เลยระลึกแล้วได้มันจําแม่นเลยจําแม่นหมดเลยนับหนึ่งสองใครทําอะไรให้เราจําจําจำระลึกดีอันนี้เขาเรียกมิจฉาสตินะก็คือระลึกแล้วได้จิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วแหมระลึกระลึกได้จริงๆนะเพราะจําแม่น เพราะสัญญาเป็นประธานสัญญาเนี่ยสัญญาเนี่ยเป็นเป็นเหตุใกล้ของสติเป็นเหตุใกล้ของสติได้แต่ต้องระลึกในข้อปฏิบัติที่ดีนีต้องระลึกในเป็นไปก ก, กุศลจิตุบาพบสูตรเป็นววหารเทศนาจิตุบาถ้าอภิธรรมเนี่ยเป็นปรมัตเเทศนาอันพูดโดยสภาวะธรรมถ้าพูดโดยสภาวะธรรมไม่ใช่ขัดกันนะอันนั้นท่านหมายถึงตัวองค์ธรรมอันนี้จะจัดถ้าโดยนัยยประสูตรท่านก็จัดเอาอกุศลจิตุบาที่มีสัญญาเป็นประธาน แต่เกี่ยวกับการระลึกนะซึ่งก็ระลึกมีจริงๆเลยจริงเพราะสัญญาเป็นเวลาก็คือขั้งกลุ่มอกุศลทั้งหมดนั่นแหละที่เกี่ยวกับการจำได้แล้วบาปเกิดนั่นมิจฉาสมาธิตั้งมั่นเป็นเอกคตาที่เกิดร่วมกับกุศลเลยนะความชั่วที่กล่าวมานี้เป็นเหตุใกล้าตามลําดับที่พระเจ้ากล่าวโดยปริยญาณนะอายนิสโสมนสิการการไม่คบสัตว์บุรุษการอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะสมการไม่ได้ทําบุญไว้ในพพก่อนความชั่วก็มีผลนะนะ ดังที่กล่าวไว้แล้วความโลภก่อให้เกิดโทษความโลภทําลายจิตภัยย่อมเกิดขึ้นในระหว่างนั้นชนทั่วไปไม่รู้เห็นภัยของโลภะใช่ไหมโลภะที่ติดข้องในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ชาวโลกทั่วไปก็ไม่เห็นภยัยไม่เห็นโทษว่ามันมีโทษบางทีขอโลภสักนิดหนึ่งขอยินดีสักนิดหนึ่งนึกว่ามันไม่มีโทษแต่มันมีโทษทุกอย่างมีโทษมากน้อยอย่างไรนะมันมั น, มนถามว่าจากนิดหนึ่งนั่นแหละมันมีกําลังมากมาย็นทุกวันนี้แหละ เล่นจนเอาออกจนยินดีในพบจนไม่อยากเดินออกจากพบนีน่ด้วยการเห็นโทษไม่เห็นโทษความกโกรธก็เหมือนกันนะีนะความกโกรธก่อให้เกิดโทษความกโกรธทําร้ายจิตด้วยภัยเกิดขึ้นในระหว่างแต่ชนทั่วไปก็ไม่รู้ไม่เห็นภัยนั้นความหลงก็ก่อให้เกิดโทษความหลงก็ทําร้ายจิตภัยย่อมเกิดขึ้นในระหว่างแต่ชนทั่วไปก็ไม่รู้ไม่เห็นชาติภยัชาภายชร า, าภายัยมรณะภัยอ่ะไม่เห็นเนาะ โอกกาปริเทวาทั้งหลายเป็นภัยทั้งนั้นความวิบัติย่อยยับเพราะทรพเพราะบุตรเพราะบริวารทั้งหลายเหล่านี้ความล่มจมความขาดทุนต่างๆเยอะแยะเป็นเศษเนี่ยมันมาจากภัยคืออัคคสลกรรมคือโลภะโทสะโมหังมันเป็นภัยเหล่านี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยพอมันปิดมุมเสร็จแล้วก็มุมมองเหล่านี้ก็หมดแล้วบุคคลใดล่วงรรมบุคคลย่อมล่วงธรรมด้วยความรักความโกรธและความหลงหรือความหลงเกียรติยศของเขาย่อมเสื่อมไปนะ ก็หมายความว่าไปประพฤติพลาดเพราะอํานาจของโลภาโทสามโมหะเกียรติคุณทั้งหลายก็เสื่อมไปเหมือนพระจันทร์ในกาลปะ ก, กว่างั้นเสื่อมจริงๆนะถามว่าโลกุตระคุณของพระเทวทัศสเสื่อมเนี่ยพระโลภาโทสามโมห์เป็นต้นเนี้ยแทนที่จะได้โลกุตระคุณกัเขาไม่ได้อเราท่านทั้งหลายน่าจะได้โลกุตระคุณกับโลภาโทสามโมห์ <c oughs> <c oughs> ทําลายคุณก็ไม่ได้ เราเราก็เจ็บปวดกันได้โดยอำนาจเขงโลภะโทรศัท์มห์จริงไหมยังวะตอนนี้เราเห็นโทษเห็นภยัยเยอะๆนี่ปลาปลาสับเนี้ยนะนี่บาปบาปตัวเนี้ยเขาต้งบอกบาปนี่เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าต้องระวังไงว่าถ้าถ้ากุศลเกิดขึ้นมาแล้วต้องรีบเร่งต้องนะต้องรีบเร่งเนะี่ยเร็วเอเออมีโศัพท์หนึ่งนะเ อ, อ้ที่ท่านมหาอันตรงนี้ใช่ไหมที่บอกว่าคารวาสกับบรรพชิตเนี่ยตรงไหนทำเร็วๆไวๆนี่นะ ถ้าคารวาสว่างั้นคารวาสบอกว่าเราจะทําก่อนเราจะโดยประการที่ชนเหล่าอื่นจกไม่ได้โอกาสเนี่ยนะตรงนี้ขับเน้นที่นา ม, มารำนะโดยชนิดที่มัชชริยะเป็นต้นจกไม่ได้โอกาสด้วยนะเ<ม>พราะว่าถ้าถ้าเราไม่รีบ เ, เร่งเจริญกุศลไปแล้วเนี่ยตัวมัชชริยะเป็นต้นอกุศลบาปอากุศลธรรมอลามกเป็นต้นมันจะได้โอกาสนะมันจะได้โอกาสมันจะได้โอกาส เพราะตรงนี้มันจะเสียโอกาสตรงนี้แหละเสียโอกาสก็คือมันทําลายจิตบาปเออจิตดีเสียเพราะมันชํานาญอยู่แล้วฉะนั้นเวลากุศลเกิดขึ้นจึงต้องต้อ ง, องรีบรีบเร่งเร่งอย่าอย่าไปเปิดโอกาสให้บาปเกิดขึ้นบางทีเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยทําเงี้ยเนาะพรุ่งนี้ค่อยทำเพราะวันนี้เรายังไม่พร้อมจกฟังทํางเงี้ยเป็นตัวหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเี้ไปแล้วเราเราเราเดินกุศลไม่เป็นกัน ไม่เดินเดิกุศลมันเดี๋ยวก่อนไปเลยแล้วไอตัวบาปอกุศลได้โอกาสหมดเลยแล้วก็แวดล้อมศรัทธาเกิดหนึ่งใช่ไหมศรัทธาเกิดหนึ่งแล้วก็ไอตัวกลุ่มอกุศลเกิดพันเกิดหนึ่งพส่วนกุศลเกิดหนึ่งส่วนอกุศลพันส่วนกุศลหนึ่งส่วนใช่ไหมอกุศลพันส่วนขนาดนั้นขนาดไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเรายังต้องรอเเมื่อไหอไร่ไอกามมีโทรมาหาเราสักที ขนาดอยู่ต่างประเทศนะยังเปิดตัวสอบรอวัตถุกรรมรอกิเลสกรรมเลยขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะหนีไปปฏิบัติกันยังไงอะไรเงี้ยจะทําไงดีใช่ไหมโจรที่ถูกจับตัวไว้ในช่องที่โจรงัดเนี่โจรที่ถูกจับตัวได้ในช่องที่โจรงัดออกย่อมถูกเบียดเบียนจองจําด้วยกรรมของตนชั้นใดเหล่าสัตว์นี้ย่อมถูกเบียดเบียนจองจําด้วยกรรมของตนในภพอื่นฉะนั้นอีงตรงนี้ก็ชัดเลยเนะ ในชาดกเนี่ยบอกว่าโจรที่ถูกจับตัวได้ในช่องที่โจรงัดออกงัดเข้านี่เนี่ยเขาจับตรงช่องนั้นพอดีเพราะเขาจับแล้วก็เรียบร้อยก็ไปทุกประตูสลายแล้วเราสัตว์ทั้งหลายก็กรรมมันตามทันแปลว่ามันจับเราได้แล้วเราเหมือนโจรนะที่เราไปพูด ท, ทุจริตประพูดบาปเนี่ยเราไปเราไปกระทําผิดพลาดตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมไอ้กรรมกรรมที่กรรมที่เป็นอกุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นโจร น, นีโลภกรรมที่เป็นไปกับ โลพาโทสาโมหาที่เป็นเหตุของเจตนากรรมทั้งหลายเหล่านี้ยนะที่เป็นเหตุเนี่ยเจตนาที่เป็นไปกายทุจริตวจีทุจริต ม, มโนทุจริตตอนนั้นเราเป็นโจรใช่ไม้มทาผิดแล้วพอทําผิดเรียบร้อยแล้วแบบนี้แล้โดนจบดับแล้โดนจับมัดโดนจบัดดนจบมัดก็ลงโทษก็ไม่สามารถเงยศรีรษะออกจากกายภูมิได้ทรมานตายเลยแบบนี้เรียบร้อยตอนนี้ก็ยังอยู่ในวัตฏะใช่ไหมหนึ่งออกจากกายภูมิไม่ได้ก็เจ็บปวดพออยู่แล้วสองออกจากวัตฏะไม่ได้ตรงนี้ก็คือ คือเกี่ยวเรื่องการเดินกุศลประการต่อมาเกี่ยวในเรื่องของพึงรีบเร่งกระทาความดีป้องกันจิตจากความชั่วกุศลจื่ิบาดนั่นแยกเป็นสองส่วนจําแนกโดยธรรมจาแนกโดยเหตุใกล้กละจาแนกโดยภูมิถ้าจําแนกโดยธรรมก็คือบอกว่าจิตดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั่วไปกับกุศ ล, ลจิตที่เกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ทั้งปวงมีใจนี่นะทั่วไปก็คือบุถุชนและเศคารแต่เป็นกุศ ล, ลเฉพาะที่เกิดขึ้นกับผู้ที่นะสดับพระเทธรรมเทศนานก็ ทีนี้บอกว่ากุศลที่เกิดขึ้นเนี่ย like, ในขณะที่ฟังธรรมเป็นต้นเหล่านี้ท่านจัดเป็นภาวนากุศลใช่ไหมเป็นภาวนากุศลนะกุศลที่เป็นไปกับการฟังธรรมเนี่ยเป็นภาวนากุศลเพราะอยู่ในชั้นของภาวนาเพราะตอนนั้นนะ่ะบอกว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังทําสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้ชัดใช่ไหมจิตของผู้ฟังก็ผ่องใสไอ้ตรงนี้กุศลเดินแล้ว memorized. จิตของผู้ฟังก็ย่อมผ่องใสทําความเห็นให้ตรงให้ชัดขึ้นแล้วก็น้อมไปในการฟังนั้นๆ แต่แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยการการค้นเคยการฟังธรรมที่จะเป็นการไข้ควรไปตามลําดับเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยได้กันแล้วเราคิดว่าเออกิจกรรมฟังธรรมไม่ไม่เป็นภาวนากุศลไปแล้วในตรงนี้เนี่ยแท้ที่จริงเป็นภาวนากุศลเป็นภาวนากุศลไปเนี่ยถ้าเป็นเหตุใกล้ก็คือว่าเหตุใกล้ก็คือโยนิโสเหตุใกล้เหล่านั้นเกิดทั่วไปกับเสมอไอ โ, โยนิโสนี่เป็นต้นเหล่านี้นะในเหล่าสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นยกตัวอย่างเช่น ปุถิชนที่จะฟังธรรมพระเสข่าบุคคลเป็นต้นเนี่ยในกรณีอย่างเงี้ยก็หมายความว่าในขณะที่ฟังธรรมต่างๆเหล่านี้เท่านั้นถึงจะได้โยนิโสมนัิการหมายความว่าการฟังธรรมนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ทุกคนบางคนมนัิการเป็นจะเป็นปัจจัยแก่โยนิโสมและกุศลก็จะเกิดขึ้นตลอดนะกุศลก็จะกระตุ้นให้เกิดตลอดได้อย่างนี้นะแต่บางท่านก็พอละใสใจผิดขึ้นมาก็กุศลก็ไม่ได้ไปจึงบอกว่าสภาพของกุศลเนี่ย ที่เกิดเดินมา น, นี่นะหลายๆลชั่วโมงที่เราฟังทากันมาเนี่ยจึงต่างกันต่างสภาพกันออกไปบางท่านก็สามารถเดินเดินได้อย่างต่อเนื่อันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลที่จะเป็นผู้ที่ฉลาดในการที่จะเดินเดินกุศลให้ได้เพราะว่าหนึ่งเพราะธรรมมีอยู่นะใครควรไปตามได้อยู่แต่ตั้งโยนิโศให้เป็น กุศลที่เกิดขึ้นก็จะหลากหลายแค่ไหนก็เป็นไปตามกําลังของแต่ละบุคคลที่จะใคร่ควรในขนาดนั้นนั่นนี่นือันนี้ก็เกี่ยวข้องกันนรื่องโยดิโสถ้าโดยภูมิก็คือว่าการมภูมิบุติชนภูมิเนี่ยจิตนั้นก็ทั่วไปนี่นะลักษณะอย่างนี้นะนี่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการแยกแยกโดยธรรมแยกโดยเหตุใกล้ก็แยกโดยภู ม, ภมิของจิตที่เกิดขึ้นก็คือกามกรมภูมินี่แหละกรมจิตนั่แหละว่างั้นเถอะก็คือบุติชนภูมิด้วยนี่บุติชนภูมิด้วย อภิเทเรถากะรยานีปาปาจิตตังเนวะนิวะเลเยพึงรีบเร่งกระทาความดีเนีดังได้กล่าวว่าเว้นและก็ป้องกันจิตจากความชั่วเนี่ยกุศลจิตุบาตมีเหตุใกล้โยนิโสดังกล่าวเนี่ยเมื่อมหากุศลแจิตและเหตุใกล้เหล่านั้นบังเกิดขึ้นในกระแสจิตนียที่กําลังทําความดีอยู่เนี้ยก็หลีกเลี่ยงจากความชั่วอกุศลตรงกันข้ามความไม่มีศรัทธาความประมาทความเกียดค้านความลิษยาความตนี พร้อมทั้งเหตุของอกุศลคืออโยนิสมนัสิการเป็นต้นเหล่าเนี้ผลของอกุศลเหล่านั้นเป็นภายในปัจจุบันแล้วก็ภายในสังสารวัตเนี่ยย่อมย่อมอันตรธานไปตอนนี้อันตรธานก็หมายความบอกว่าถ้ากุศลเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะในขณะที่ฟังธรรมก็ดีอยู่เนี่ยในขณะที่ฟังธรรมเป็นไปตามลําดับนี่ตอนนี้กุศลเกิดขึ้นเพราะกุศลเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็ต้องการหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงในยะหนึ่งท่านบอกว่าทําลายก็ได้ ก็แปลว่าตอนนี้มันชิงชิงกันเกิดอยู่เหมือนวิ่งแข่งกันเนี่ยปกติในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราจะให้กุศลเกิดก่อนหรืออกุศลเกิดก่อนมันจะอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่รู้ตนเองไม่รู้จักตนเนี่ยนะว่าเออเราจะเจริญอย่างไรไข้ควรยังไงเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้บาปเกิดใช่แต่พอฟังธรรมเหล่านี้เราได้สติแล้วพอได้สติก็ทำ จากโยนิสโสมาไจากการฟังทำได้โยนิสโสโยนิสโสเป็นเหตุใกล้ของกุศลกุศลก็แตกต่างไปแต่และบุคคลก็ไม่เหมือนกันอยู่มั้ยสภาพของกุศลจะเป็นกุศลดวงใดก็แล้วแต่ก็ต่างกันออกไปในขณะฟังนั้นนั้นแต่ถ้าหากว่าเราป้องกันอะไรเมื่อกุศลเกิดขึ้นก็ไปลวอกุศลที่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามคือว่าความไม่มีศรัทธาความประมาทความเกียดค้านความริษยาความตนีบาปอากุศลธรรมอลามกและเหตุใกล้ของอกุศลก็ อันตรธานไปเลยอโยนิโสมนัสิการไม่เกิดแล้วตอนนั้นอันตรธานไปเไ ป, ป็นต้นด้วยทีนี้ไม่อันตรทานไปไม่พอนะผลที่จะได้รับจากอากุศลในปัจจุบันใช่ไหมถ้าอากุศลเกิดขึ้นมีเจรนาที่เป็นบาปเป็นด้วยผลที่จะได้ในปัจจุบันและผลที่จะเป็นไปในสังสารวัตข้างหน้าเราก็ปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยในขณะนั้นนี่คือการเดินจิตที่เป็นกุศลผู้ที่ฉลาดไม่ให้โรคคือกิเลสทั้งหลายมาทิ่มแทงจิตในขณะนี้ แปลว่าเราฉลาดชิดแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าเรารู้เหตุผลไงว่าทําไมเราต้องเร่งรีบในการเจริญกุศลเพราะเรากลัวภัยจากการจากผลของบาปในปัจจุบันและภัยคือบาปในสังสารวัตที่เราจะได้เห้นก็มองเห็นเหตุผลไหมอย่างนี้สมควรไหมว่าจะเดินกุศลจริงๆนี่ได้เหตุอันสมควรที่จะเดินจริงๆอย่างนี้เป็นตน้น น, น, นี่เขามองอย่างนี้นะนี่เรียกมองไล่ไล่ตามลําดับมีใครสงสัยอะไรไหมสงสัยถามเลยนี่นี่หลักหลักหลักข่้นไข้ควรอย่างนี้เพราะมันถ้าไม่ยออไม่มองเห็นอย่างนี้นะว่าถ้ากุศลเกิดขึ้นนะมาจากโยนิโสจากการโยนิโสมาจากการฟังธรรมจากการโคฟุริเจ้าฟังธรรมวุฒิยาวป็นต้นเลยนี่นะเบ็ดเสร็จเนี่ยกระตุน้นกุศลกุศลก็มีสภาพที่แตกต่างดังกล่าวบอกแล้ว ควาโอดพิติก็แตกต่างกันออกไปหรือหรือบางคนอาจจะได้ธรรมดาอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนั้นนะ่ะอกุศลอันตราธานอโยนิโสอันตราธานนะแต่อกุศลมันเกิดขึ้นทุกครั้งมันให้ผลปัจจุบันและพบในสังสารวัฏเนะี่ยแต่กุศลเกิดขึ้นก็นให้ผลในปัจจุบันและสังสารวัฏเนะี่ยเอาสิจะเลือกอะไรอันนี้แปลว่าถ้าญาณปัญญากรรมสกตาสมาธิิมันชัดขึ้นมาแล้วทุกคนต้องเลือกกุศลย่างยิ่งถ้าเข้าใจเหตุผลแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอา้า จะเลือกอะไรทุกคนก็ต้องบอกว่าเลือกกุศลอยู่ไหมแต่แล้วได้กุศลจริงไหมอันนี้ก็ถามตัวเองอีกต่อ <c oughs> ไ, ได้จริงหรือเปล่าแต่เนี้ยใช่ไหมบางทีเลือกกุศลจริงใช่ไหมเราตอบผิดตอบถูกเราเลือกเป็นเหมือนเราไปนั่งตอบคําถามเนี่ยตอบได้ถูกแต่ใจไม่ตอบด้วยใจไม่เป็นกุศลด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องมามาพิจารณานะพอจะมองเห็นเนาะอันนี้ก็ค่อยๆเดินไปอันนี้ น, นี่ฝึกฝึกการกา ร, การคิดมุมมอ ง, มองการใคร่ควรกุศล อ่ะสมควรเดียวเวลาอย่างี้